๙ป้าปวักหมวดว่าด้วยบาป 1. จุเลกกะสาตกะวัตุเรื่องพรามจุเลกกะสาดกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลควรรีบเร่งทำบุญควรห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาป 2. เสยยะสกเทระวัตถุเรื่องพระเสยยสกะเท ร, เ ร, พร ะ, ยยะทรพระผู้มีพระภาคตรัสพระกาถานี้แก่พระเสยยสกะเทระดังนี้หากบุคคลทำบาปไปก็ไม่ควรทำบาปนั้นซ้ำอีกไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกขมาให้ 3. รลาชะเทวทีตาวัตถุ เรื่องลาชะเทพธิดาพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ลาชะเทพธิดาดังนี้หากบุคคลทําบุญก็ควรทําบุญนั้นบ่อยๆควรทําความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ 4. อนาถปินฑิกะเศรษฐิวัตถุเรื่องอนาถบิณิกาเศรษฐี พระผู้มีพระภาคตรัสระคนานี้แกอนาถเินิกะเศรษฐีและเทวดาผู้สิงสถิอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านของเศรษฐีดังนี้ตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลตราบนั้นคนชั่วจะเห็นบาปว่าดีแต่เมื่อใดบาบให้ผลเมื่อนั้นคนชั่วจะเห็นบาปว่าชั่วแท้ตราบใดที่กรรมดียังไม่ให้ผล ตราบนั้นคนดีจะเห็นกรรมดีว่าชั่วแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นคนดีจะเห็นกรรมดีว่าดีแท้ 5. อสัญญาตะปริขาระพิขุวัตุเรื่องภิกษุผู้ไม่เก็บรักษาบริขารพระผู้มีพระภาคตรัสรัตนานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ บุคคลย่าสำคัญว่าบาปเล็กน้อยคงจะไม่มาถึงแม่หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดคนผ่านเมื่อสั่งสมบาปทีละเล็กทีละน้อยก็เต็มด้วยบาปได้ฉันนั้น 6. พิลาระปทกะเศรษฐิวัตถุเรื่องพิลาระปทกะเศรษฐี พระผู้มีพระภาคตรับพระคถานี้แก่เศรษฐีผู้อยู่เมืองสาวัตถีดังนี้บุคคลย่าสำคัญว่าบุญเล็กน้อยคงจับไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดคนมีปัญญาเมื่อสั่งสมบุญแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็เต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น 7. มหาธนวานิชวัตถุ เรื่องพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลควรละเว้นบาปทั้งหลายดุจพ่อค้าที่มีทรัพย์มากแต่มีพวกน้อยหลีกเลี่ยงทางที่มีภัยและดุจคนรักชีวิตหลีกเลี่ยงยาพิษฉะนั้น 8. กุกุฎมิตรตเนสาทวัตถุเรื่องในพราเนื้อชื่อกุกุฎมิตร พระผู้มีพระภาคตรัพพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้หากที่ฝ่ามือไม่มีแผลบุคคลก็ใช้ฝ่ามือนํายาพิษไปได้เพราะยาพิษจะไม่ซึมเข้าไปยังฝ่ามือที่ไม่มีแผลเหมือนบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทําบาปฉะนั้น 9. โกกะสุณนนะขลุทกะวัตถุเรื่องในพรานสุ น, นัขชื่อโกกะ พระผู้มีพระภาคตรัพะคถานี้แค่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้บุคคลใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นซึ่งเป็นคนพาลอย่างแน่แท้ดุดผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น 10. มมณีการะกุลุปกะกติสะเทระวัตถุเรื่อง พระติสะเทระผู้เข้าถึงตระกูลช่างแก้วพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์พวกหนึ่งย่อมเกิดในคันพวกที่ทำบาปกรรมย่อมไปนรกพวกที่ทำความดีย่อมไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ไม่มีอาสวะย่อมนิพพานสิบเอ็ดตโยชนะวัตถุเรื่องคนสามจำพวก พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนทําบาปถึงจะเหาะขึ้นไปในอากาศก็ไม่พ้นจากบาปกรรมถึงจะดำลงไปกลางทะเลก็ไม่พ้นจากบาปกรรมถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขาก็ไม่พ้นจากบาปกรรมเพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่งที่คนทําบาปยืนอยู่แล้วจะพ้นจากบาปกรรมได้ 12. สุ ป, ปพุทธะสักกะวัตถุเรื่องเจ้าสักยะสุ ป, ปพุทธะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลถึงจะเหาะขึ้นไปในอากาศก็ไม่พ้นจากความตายถึงจะดำลงไปกลางทะเลก็ไม่พ้นจากความตายถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขาก็ไม่พ้นจากความตายเพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่งที่บุคคลยืนอยู่แล้ว จะไม่ถูกความตายครอบงำได้ปาปวักที่เก้าจบสิบันทวักหมวดว่าด้วยการลงทันหนึ่งชพักกิยะพิขุวัตุ เรื่องพระชัพพักคีพระผู้มีพระภาคตรัสรักฐานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมหวาดกลัวความตายบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่า 2. ชัพพกคียะพิขุวัตุเรื่อง พระชพคีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์ทุกประเภทย่อมจะดุ้งกลัวโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมรักชีวิตบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าสัมพาุลูรากุมาราวัตถุเรื่องเด็กชายหลายคน พระผู้มีพระภาคตรัสระกาถานี้แก่เด็กชายชาวเมืองสาวัตถีประมาณ500คนที่กำลังตีงูในระหว่างทางดังนี้ผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตนแต่กลับใช้ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุขผู้นั้นตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขเลยส่วนผู้ใดฝ่หาความสุขเพื่อตนไม่ใช้ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุข ผู้นั้นตายไปแล้วย่อมได้รับความสุข 4. โกนทัานะเทระวัตถุเรื่องพระโกนทัานะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระโกนทัานะเทระดังนี้เธออย่าได้กล่าวคาหยาบต่อใครๆคนที่ถูกเธอว่ากล่าวจะกล่าวโตอตอบเธอเพราะว่าถ้อยคำที่โตเถียงกันก่อให้เกิดทุกข์ และการทำร้ายโต้อตอบกันจะมาถึงเธอถ้าเธอทำตนให้นิ่งเงียบได้เหมือนกังสดานที่ตัดขอบปากออกแล้วเธอก็จะบรรลุนิพพานได้การโต้เถียงกันก็จะไม่มีแก่เธอ 5. อุปอสถิกะอิทีวัตุเรื่องหญิงผู้รักษาอุโบสถศีลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางวิสาขา และหญิงผู้รักษาอุโบสถศีลประมาณ500คนดังนี้คนเลี้ยงโคใช้ท่อนไม้ไล่ต้อนฝูงโคไปยังที่หากินฉันใดความแก่และความตายก็ไล่ต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้น 6. อาชักคระเปตะวัตถุเรื่องเปรตงูเหลือมพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ คนพาลมีปัญญาสามเมื่อทำบาปกรรมย่อมไม่รู้ส uh, um, ึก hmm, ต yeah. ัวจ ok ึงมักเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนคนถูกไฟไหม้ฉะนั้นเจ็ดมหาโมคลานะเทระวัตถุเรื่องพระมหาโมคลานะเทระพระผู้มีประภาคตรับรักถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดประทุสร้ายคนที่ไม่มีความผิด และคนที่ไม่ประทุษร้ายตอบด้วยโทษทันผู้นั้นย่อมได้รับผลอย่างหนึ่งในสิบอย่างคือ 1. ทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า 2. เสื่อมทรัพย์ 3. ถูกทำร้ายร่างกาย 4. เจ็บป่วยอย่างหนัก 5. กลายเป็นคนวิกลจริต 6. ต้องราชภัย 7. ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรง 8. เสื่อมญาติ 9. ทรัพย์สมบัติพินาทย่อยยับ 10. บ้านเรือนถูกไฟใหม่เขาผู้มีปัญญาสามเมื่อตายไปย่อมตกนรก 8. พระหุพันธิกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้มีเครื่องใช้สอยมากพระผู้มีพระภาคต่รับระกถานี้แก่ภิกษุผู้มีเครื่องใช้สอยมากดังนี้การเป็นคนเปลืย การกล้าวชดาการเอาโครนทาตัวการอดอาหารการนอนบนพื้นดินการมีกายหมักหมมด้วยธุลีหรือการทำความเพียนด้วยการนั่งกระยงวัดทั้งหมดเหล่านี้หาชำระคนผู้ยังไม่ล่วงพ้นความสงสัยให้หมดจดได้ไหม่ 9. สันตติมหามัตตวัตถุเรื่องสันตติมหาอมาต พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้แม่บุคคลจะแต่งตัวแบบใดก็าตามถ้าเขาเป็นผู้สงบฝึกตนได้เป็นผู้แน่นอนประพฤติพรหมจรรย์และเว้นการเบียดเบียนสัพสัตประพฤติสมำเสมอควรเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าพรามสมณะหรือภิกษุก็ได้ 10. ปิโลติกะติสะเทรวัตถุ เรื่องพระปิโลติกะติสะเทระพระผู้มีประภาคตรพระคาทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลผู้กีดกันอกุศลวิตกได้ด้วยหิริมีอยู่น้อยคนในโลกภิกษุใดหลบหลีกนินทาได้ตื่นตัวอยู่เหมือนม้าชันดีหลบแซ่ได้ภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยรูป เธอทั้งหลายจงมีความเพียรและมีสังเวขธรรมเหมือนม้าดีที่ถูกลงแท่เธอทั้งหลายมีศรัทธาศีลวิริยะสมาธิและธรรมวินิจฉัยสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะมีสติมั่นคงก็จักละทุกข์มีประมาณไม่น้อยนี้ได้ 11. สุขสมัมเนระวัตถุเรื่องสุขสมัมเนน พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พิสษุทั้งหลายดังนี้คนไขน้ำย่อมไขน้ำช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้ผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนทันเทววักรที่สิบจบ ชราวัตหมวดว่าด้วยความชรา 1. วิสาขาสหายิกาวัตถุเรื่องหญิงสหายของนางวิสาขาพระผู้มีพระภาคตรัพระคาทานี้แก่หญิงประมาณ500รคนดังนี้เมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิดทำไมจึงมัวหัวเราะร่าเริงกันอยู่เล่าเธอทั้งหลายถูกความมืดปกคลุม ฉไนไม่แสวงหาดวงประทีปคนเล่า 2. ศ ส, สิริมาวัตถุเรื่องนางสิริมาพระผู้มีพระภาคตรัสรัคถ์นี้แก่บริษัท ส, สที่มุงดูศพนางสิริมาดังนี้จงดูอัตภาพที่ตกแต่งอย่างสวยงามแต่มีกลายเป็นแผลมีกระดูกเป็นโครงร่างอันกระสับกระส่ายที่มาหาชนดมริหวังกันมาก ซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่น 3. อุตราเถรีวัตุเรื่องพระอุตราเถรีพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่พระอุตราเถรีผู้มีอายุร้อยี่สปีดังนี้ร่างกายนี้แก่งอมแล้วเป็นรังของโรคมีแต่จะสุดโทมลงไปร่างกายที่เน่าเปือ่อยนี้ก็จะแตกดับไป เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด 4. อธิมานิกะพิกขุวัตุเรื่องภิกษุผู้เข้าใจว่าตนสำเร็จพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่กำลังดูซากศพในป่าชาดังนี้กระดูกเหล่านี้มีสีเหมือนสีนกพิราบถูกเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าที่ร่วงเกลื่อนกลาดในสาทการ ความยินดีอะไรเล่าจะเกิดเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้น 5. ชนะปทะกัลยานีรูปปนนทาเทรีวัตถุเรื่องพระรูปป น, นทาเทรีผู้งามในรัตน์พระผู้มีประภาตระพระคาถานี้แก่พระรูปนันาาเทรีผู้สำคัญตนว่างามดังนี้ร่างกายนี้ถูกสร้างให้เป็นนครแห่งกระดูก ฉาบด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่สถิตแห่งความแก่ความตายความถือตัวและความลบหลู่กัน 6. มลิกาเทวีวัตถุเรื่องพระนางมลิกาเทวีพระผู้มีพระภาคตรัสพระกถานี้แก่พระเจ้าเปรติโกศลผู้เสียพระไทยเพราะการจากไปของพระนางมลิกาเทวีดังนี้ ราชรถอันวิจิตรงดงามยังชำระได้แม้แต่ร่างกายนี้ก็ยังเข้าถึงชราได้แต่ธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่สัตบุรุษกับสัตบุตรรู้กันได้อย่างนี้เจโลลุทายิเทระวัตถุเรื่องพระโลลุทายีเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ คนที่มีการศึกษาน้อยนี้ย่อมแก่ไปเปล่าเหมือนโคพลิพัทเขาเจริญแต่เนื้อนหนังส่วนปัญญาหาเจริญไม่ 8. ปดปฐมโพธิวัตถุเรื่องเหตุการณ์คราวแรกประสรุพระผู้มีประภาคทรงเปล่งอุทานดังนี้เราตามหานายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบจึงท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกาชาติ เพราะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นายช่างเอย๋ยเราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีกซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักแล้วยอดเรือนเราก็รื้อแล้วจิตของเราถึงทำปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตันหาแล้ว 9. มหาธ น, นเศรษฐิบุตตวัตถุเรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก พระผู้มีพระภาคทรงปราบปร บ, บุตรเศรษฐีผู้ใช้สอยทรัพย์สมบัติจนหมดจึงตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนท์ดังนี้พวกคนโง่เขลาไม่ประพฤติตนให้เป็นคนดีในวัยหนุ่มสาวก็ไม่ได้หาทรัพย์ไว้ย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ที่เปลือกตมไร้ปลาฉะนั้นพวกคนโง่เขลาไม่ประพฤติตนให้เป็นคนดีในวัยหนุ่มสาวก็ไม่ได้หาทรัพย์ไว้ ย่อมนอนรำพึงถึงความหลังดุดลูกธนูที่พ้นจากแรงฉะนั้นชรา ว, วักที่สิบเอ็ดจบสิบสองอัตวักหมวดว่าด้วยตนหนึ่ง โพธิราชกุมารวัตถุเรื่องโพธิราชกุมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคานี้แก่โพธิราชกุมารดังนี้ถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีบัณฑิตพึงประครับประคองตนไว้ให้ได้อย่างน้อยยามใดายามหนึ่งในสามยาม 2. อุปนันทะสักยะบุตเถระวัตถุเรื่องพระอุปนันทะสักยะบุตเถระพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่พิกสุหนุ่มสองรูปดังนี้บัณฑิพตพึงตั้งตนไว้ในคุณธรรมที่เหมาะสมก่อนแล้วสอนคนอื่นในภายหลังจึงจะไม่มัวมอง 3. ประธานิกะติสะเถระวัตถุ เรื่องพระประธานิกาติสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่พิสุประมาณ500รูปดังนี้บุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรก็พึงทำตนอย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะตนนั่นแหลฝึกได้ยากยิ่ง 4. กุมารากัสปะมาตาวัตถุเรื่องมารดาของพระกุมารากัสปะเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ต้นแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยาก 5. มหาการอุปาสกะวัตถุเรื่องมหาการอุปาสก พ, พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ บาปที่ตนเองทมเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมทำลายคนมีปัญญาสามเหมือนเพชรที่เกิดจากหินทำลายแก้วมณีฉะนั้น 6. เทวทัตตวัตถุเรื่องพระเทวทัตรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความทุศีนโดยสิ้นเชิงย่อมริงรัดอัตภาพของบุคคลผู้ทุศีลไว ดุดเถาวันที่เรืองรัต้นสาละไว้เขาย่อมทำตนให้วิบัติดุดโจรปรารถนาให้เขาวิบัติฉะนั้นเจ็ดสังคเพธะปริสักนะวัตถุเรื่องความพยายามเพื่อทำลายสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่พระอานนท์ปรารพถึงพระเทวทัตดังนี้กรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย ส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทำได้ยากอย่างยิ่ง 8. กาเรเถระวัตถุเรื่องพระกาลเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พระกาลเถระและชนทั้งหลายดังนี้ผู้มีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วคักคานคำสอนของพระอริยะผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ดำรงอยู่โดยธรรม การคักคานและทิฏฐิชั่วนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายตนเองเหมือนขุยไผ่ทำลายต้นไผ่ฉะนั้น 9. จุลกาลอุบาสกาวัตถุเรื่องจุลกาลอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสพระกาทานี้แก่จุลกาลอุบาสกดังนี้ตนทำบาปกรรำเองก็เศร้าหมองเองตนไม่ทำบาปกรรมเองก็บริสุทธิ์เอง ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ 10. อัตตะทัตเถระวัตถุเรื่องพระอัตตทัตเถระพระผู้มีพระภาคตรัพะคฐานี้แก่พระอัตตทัตเถระดังนี้บุคคลไม่ควรให้ประโยชน์ตนเสียไปเพราะประโยชน์คนอื่นแม้มากเมื่อรู้ประโยชน์ตนแล้ว ก็คนขนขวายในประโยชน์ตนอัตตะวักที่สิบสองจบสิบสามโลกวักหมวดว่าด้วยเรื่องโลกหนึ่งทหาระพิกขุวัตุเรื่อง ภิกษุหนุ่มพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งดังนี้บุคคลไม่พึงเสพสิ่งต่ำทรามไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงยึดถือความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนโรกโลกสสุโททนะวัตถุเรื่องพระเจ้าสุโททนะ พระผู้มีพระภาคตรัพระถานี้แก่พระเจ้าสุโธทนะพระบิดาของพระองค์ดังนี้ภิกษุไม่พึงประมาทบินทบาต ท, ที่ตนยืนรับพึงประพฤติสุจริตธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพึงประพฤติสุจริตธรรมไม่พึงประพฤติทุจริตธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสา ปัญจสตะวิปัสสะพิขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา500รูปพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา500รูปดังนี้มัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนเห็นฟองน้ําเหมือนเห็นพยับแดด 4. อภัยยะราชกุมารวัตถุเรื่อง อภัยราชกุมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อภัยราชกุมารดังนี้ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ที่วิจิตรดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกมุ่นอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ 5. สัมมชนะเทรวัตถุเรื่องพระสัมมชนะเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยดุจ ด, ดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นหกอังคุลิมาและเทรวัตถุเรื่องพระองคุลิมาเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บาปกรรมที่ทําไว้ผู้ใดละเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมทําโลกนี้ให้สว่างสวยัยหุดดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นเจเปษการทีตาวัตถุเรื่องธิดาในแช่างหูพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ทิดาของนายช่างหูดังนี้ โลกนี้มืดมนคนในโลกนี้น้อยคนนักจะเข็นแจ้งน้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนนกติดขายน้อยตัวนักที่จะพ้นจากไข่ฉะนั้น 8. ติงสะภิกขุวัตุเรื่องภิกษุส0รูปพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่พระอนนทเทระดังนี้ฝูงหงบินไปทางดวงอาทิตย์ได้ ท่านที่เจริญอิธิบาทดีแล้วไปทางอากาศด้วยฤทธิ์ได้ส่วนนักปลาทั้งหลายชนะมารพร้อมทั้งภาชนะได้แล้วย่อมออกไปจากโลกได้ 9. จินจะมานาวิกาวัตถุเรื่องนางจินจะมานาวิกาพระผู้มีพระภาคตรัพระคัานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลผู้ล่วงละเมิดทำอย่างหนึ่งผู้มักกล่าวเท็จ ปฏิเสธปรโลกจะไม่ทำบาปไม่มี 10. อาสัทิสะทานวัตถุเรื่องอาสัทิสะทานพระผู้มีพระภาคตรัสระคนานี้แก่พระเจ้าประสิทธิโกศลและเหล่าอมารดังนี้พวกคนตรหนีไปเทโวโลกไม่ได้เลยพวกคนพานไม่สรรเสริญการให้ทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาการให้ทาน เพราะเหตุนั้นแลเขาจึงได้รับความสุขในปรโลก 11. อนาถะิิธิกะปุตตะการะวัตถุเรื่องนายการะบุตรของอนาถะปิทิกะเศรษฐีพระผู้มีพระภาคตรัพระคฐานนี้แก่อนาถะปิทิกะเศรษฐีดังนี้โซดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์ หรือกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงโลกอวักที่13จบ 14. พุทธวักหมวดว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้า 1. มารทีตาวัตถุ เรื่องทิดามานพระผู้มีพระภาคตรัสระตถานี้แก่ทิดามานสามนางคือนางตันหานางอรดีและนางราคาดังนี้กิเลสที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้วพระองค์จะไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสักน้อยหนึ่งในโลกไม่ติดตามพระองค์ผู้ชนะได้แล้วพวกท่านจงนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีพระยานหาที่สุดมิได้ผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าตัณหาดุจตาขายชื่อว่าวิสติกาไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนนำไปในพบไหนไหนพวกท่านจากนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระยานหาที่สุดมิได้ผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าสอง ยะมะกะปฏิหายวัตถุเรื่องยะมะกะปฏิหารพระผู้มีประภาคตรัพระคฐถานี้แก่เทวดาและมนุษย์ที่ประตูสังกัสนครดังนี้ท่านผู้เป็นปราดเหล่าใดใฝ่ใจในฌานยินดีในเนคขมมะแม้ทวยเทพก็ชื่นชมท่านผู้เป็นปราดเหล่านั้นผู้มีสติตรัสรู้เองโดยชอบส เอรั ก, กะปัตตะนาคาราชวัตถุเรื่องพยานาคชื่อเอรักกะปัตพระผู้มีพระภาคตรัสรัานี้แก่พยานาคชื่อเอรักกะปัตดังนี้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายากการดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายากการที่จะได้ฟังสัจธรรมก็นับว่ายาก การที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยาก 4. อนันทเทระปัญหาวัตถุเรื่องปัญหาของพระอานนทเทระพระผู้มีพระภาคตรัพพระคถานี้แก่พระอานนทเทระดังนี้การไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปฏติโม ค, ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 5. อนัพพิรติพิกขุวัตุเรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุผู้ไม่ยินดีพระพฤติพรมจร์ดังนี้ความอิ่มเนกามทั้งหลายมีไม่ได้ด้วยกระหันนะที่หลังมาดังหาฝน กามทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วย่อมไม่ยินดีในกามทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยินดีในความสิ้นตัณหา 6. อาคิีตตะปุโรหิตตะวัตถุเรื่องอคีตตะปุโรหิตพระผู้มีพระภาคตรัพระคาทานี้ แกอัคิทัตตะผู้ออกบวชเป็นฤาษีและบริวารดังนี้มนุษย์จำนวนมากผู้ถูกภัยคุกคามต่างถึงภูเขาป่าไม้อารามและรุกขเจดีเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันกเกษมนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ย่อมใช้ปัญญาชอบพิจารณาเห็นอริยสัจส์่ประการคือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์8อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความสงบระ ง, งับทุกข์นั่นเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ 7. อนันทเทรวัตถุ เรื่องพระอนนทเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอนนทเทระดังนี้บุรุษอาชาในหาได้ยากเพราะว่าท่านมีเกิดในที่ทั่วไปท่านเป็นนักปราชไปเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมมีแต่ความสุข 8. สามพหุละพิขุวัตุเรื่องพิกสุหลายรูป พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุประมาณ500รูปดังนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงสัจธรรมเป็นเหตุนำสุขมาให้ความสมคีของหมู่เป็นเหตุนำสุขมาให้ความเพียรของคนที่สมคีกันเป็นเหตุนำสุขมาให้ 9. ก้าสปะทะัศ พ, พละสุวรรณเจติยวัตถุ เรื่องพระเจดีทองของพระกัสสะทศพลพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุญของบุคคลผู้บูชาท่านผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกผู้ก้าวพน้นธรรมเครื่องเนื่องช้าผู้ข้ามความโศกและความร่ําไรได้แล้วผู้คงที่ผู้ดับกิเลสได้แล้วผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหน ใครๆไม่อาจนับได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้พุทธวักที่14จบ 15. สุขวักหมวดว่าด้วยความสุขหนึ่ง ญาติเกลละหะวูปะสมณะวัตถุเรื่องการระงับความทะเลาะของหมู่พระญาติพระผู้มีพระภาคกรับรักฐานี้แก่พระญาติฝ่ายสักยะและโกริยะที่ทะเลาะกันเพราะแย่งน้ำทำนาดังนี้ในหมู่มนุษย์ผู้มีเวรเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขจริงหนาในหมู่มนุษย์ผู้มีเวรเราอยู่อย่างไม่มีเวร ในหมู่มนุษย์ผู้เดือดร้อนเราเป็นผู้ไม่เด ơn, ือดร้อนอยู่เป็นสุขจริงหนอในหมู่มนุษย์ผู้เดือดร้อนเราอยู่อย่างไม่เดือดร้อนในหมู่มนุษย์ผู้ขนขวายเราเป็นผู้ไม่ขนขวายอยู่เป็นสุขจริงหนาในหมู่มนุษย์ผู้ขนขวายเราอยู่อย่างไม่ขนขวายสองมารวัตถุเครื่องมาน พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่มนุผู้มีบาปดังนี้เราไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เป็นสุขจริงหนอเรามีปิติเป็นภักษาดุจทวยเทพชั้นอภัสระฉะนั้นสามโกศลรัญโยปราชยะวัตถุเรื่องความพ่ายแพ้ของพระเจ้าโกศลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้ละทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วมีใจสงบย่อมนอนเป็นสุขสี่อัญญตระกุลธาริกาวัตถุเรื่องสาวน้อยในตระกูลหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสรคถานี้แก่สามีของสาวน้อยในตระกูลหนึ่งดังนี้ ไ้เสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยเบญจขันไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 5. อัญญาตาอุปาสกวัตถุเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารทั้งหลายเป็นทุกอย่างยิ่งบัณฑิตรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงแล้วย่อมทำนิพพานให้แจ้งเพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 6. ประส e n t ิโก ś ลวัตถุเรื่องพระเจ้าประส e n t ิโ o สลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พระเจ้าประส enti โ o ś ṇ ดังนี้ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง ความสันโดษเป็นทพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 7. ติสสะเทระวัตถุเรื่องพระติสสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัพะคฐานี้แก่พระติสสะเทระดังนี้บุคคลเดิมปวิเวกรถลิ้มรสแห่งความสงบและได้ลิ้มรสแห่งปิติในธรรมแล้ว เป็นผู้ไม่มีความกรวนกระววยไม่มีบาป 8. สักะวัตถุเรื่องเท้าสักกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคทถานี้แก่พิสุทั้งหลายดังนี้การพบเห็นพระอริยะทั้งหลายเป็นการดีการอยู่ร่วมกับพระอริยะก็ให้เกิดสุขทุกเมื่อเพราะการไม่พบเห็นคนพาลบุคคลพึงอยู่เป็นสุขเหนืองนิด เพราะผู้คบค้าสมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกตลอดเวลาเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูการอยู่ร่วมกับนักปราชมีแต่ความสุขเหมือนอยู่ในหมู่ญาติเพราะฉะนั้นแลบุคคลควรครบผู้เป็นปราชมีปัญญาเป็นพระหูสูตรมีปกติเอาทุระมีวัดเป็นพระอริยเป็นสัพปรุษ มีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนดวงจันทร์โคโจรไปตามทางของดาวนักสัตว์ฉะนั้นสุขวักที่ 15. จบ 16. ปิยวักหมวดว่าด้วยสิ่งเป็นที่รักหนึ่งตโยชนะปัพชิตวัตถุเรื่องบรรพชิตสามรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บรรพชิตสามรูปดังนี้ บุคคลทำตัวให้หมกมุ่นในกิจที่ไม่ควรหมกมุ่นและไม่หมกมุ่นในกิจที่ควรหมกมุ่นและเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์ติดอยู่ในปิยารมณ์ทะเยอทะยานตามบุคคลผู้ปฏิบัติตนดีไม่ว่าเวลาใดบุคคลไม่ควรติดพันกับสิ่งเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเพราะการไม่เห็นสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์การพบเห็นสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรทำสิ่งไรๆให้เป็นที่รักเพราะการพลาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ระทมผู้ที่ไม่มีสิ่งเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักย่อมไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัก 2. อัญญตาระกุดุมพิกะวัตถุเรื่องกุดุมพีคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่กุดุมพีดังนี้ ความโศกเกิดจากสิ่งเป็นที่รักภัยก็เกิดจากสิ่งเป็นที่รักผู้พ้นจากสิ่งเป็นที่รักได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลย 3. วิสาขาวัตถุเรื่องนางวิสาขาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่านางวิสาขามิคารมาตาผู้เศร้าโศกเพราะหลานสาวชื่อสุทัตีเสียชีวิต ดังนี้ความโศกเกิดจากความรักภัยก็เกิดจากความรักผู้พ้นจากความรักได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลย 4. ลิชวีวัตุเรื่องเจ้าลิชวีพระผู้มีพระภาคทรงปรารพวกเจ้าลิชวีที่แย่งหญิงผู้งดงามในเมืองจนถึงขั้นชกต่อยกัน จึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความโศกเกิดจากความยินดีภัยก็เกิดจากความยินดีผู้พ้นจากความยินดีได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลย 5. อณิธิคันทะกุมารวัตถุเรื่องอณิธิคันทะกุมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้ แก่อนิธิคันทกุมารดังนี้ความโศกเกิดจากกามภัยก็เกิดจากกามผู้พ้นจากกามได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลย 6. อัญญาตาระพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ดังนี้ความโศกเกิดจากตัณหา ภัยก็เกิดจากตันหาผู้พ้นจากตันหาได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลยเจ็ดปัญจสตะทารกวตถุเรื่องเด็กน้อย500คนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เด็กน้อย500คนดังนี้บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะดำรงอยู่ในธรรมกล่าวคำสัตย์ ทำหน้าที่ของตนย่อมเป็นที่รักของประชาชน 8. อนาคามิเทรวัตถุเรื่องพระอนาคามิเทระพระผู้มีพระภาคตรัพระคฐานี้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ของพระผู้บรรลุอนาคามิผลดังนี้ภิกษุผู้เกิดชันทะในธรรมที่ใครๆบอกไม่ได้มีใจได้สัมผัสแล้ว และมีจิตไม่กเกาะเกี่ยวในกามทั้งหลายเราเรียกว่าผู้มีกระแสในเบื้องบน 9. ก้านันทยิยวัตถุเรื่องในนันทยิยะพระผู้มีพระภาคตรัพระคาทานี้แก่พระมหาโมคลานะผู้เห็นที่พยาสมบัติของในนันทิยะในเทวโลกดังนี้ญาติมิตรและผู้มีใจดีทั้งหลายเห็นคนที่จากบ้านไปนาน กลับจากที่ไกลมาถึงโดยสวัสดิภาพย่อมยินดีว่ามาแล้วเช่นเดียวกันนั้นบุญทั้งหลายย่อมต้อนรับคนที่ทำบุญไว้ซึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเหมือนญาติต้อนรับญาติผู้เป็นที่รักที่กลับมาบ้านฉะนั้นปิยะวักที่16หจบ